คือในสภาพระลัมันเป็นาบบคนต่าแค่ไหนวะแต่เาเว่จด้วย่าโตใจฉันจุดที่เสร็จฉันดี่าคือสินี้ความพะรัะอ่อนน้อมทอมตัวมีสมตสใจสมรว่าจ่าสงรสใจเหมืนมังกรนั้นฟึงซุกเหมอนมังกนั้นยิงให้ไม่จับม็งสอนหย่หงนั้นเอาว่เงี้ตัดมนุษ มันเป็ดมันไกมันหมันหมาสิหอวู่หัวน้องกันหลายตัวหลายเสียงคนที่มีความชราในสายชานขี่ใะบุกคนในปู่เจ้าแม่ายช้านว่าเป็นบาปเป็นกรรมยนงได้เมียเจ้าบาปกรรมย่ำเพลีเพลี่ยงเพ่งแพร่เพ่ง้อนตัวตู้กันเหงากันยงหลันอยู่มีความ ขรรเหนื่อยเพื่อเวียนเกิดมากาะอาดหนาเลยหยุดเบื่อเย่ะมากก็ดีเลูกยุดเื่อเหื่อยมัน่ดีเหตตัวลูุตาคือนีตัเจ้าอย่างเบ่อเยอกากขรบคก็พูดพ่ายท่านพ่างเลหยุมากก็ดีเบื่อเยอะากก็ดีเบื่อเยอะมากเยอเบือเยอะกี่วิเยอะมาแตกใช่ปะหาควดีก็ได พอเลบคาาวะในสถานที a a. Y. Y, vậy, Hoy, bye, ่คืจะยื้ในสถานหบเบิกกายขึ้นตามโบอบเป็นล่ามโบขับหล่องบยิงแกนในสถานที่ยังน้ะท่ามตตยท้องตนสงบหลั่ะคาราวะไปมาเดือควงนี่จะตีลักษาบไปเนือดกระโดดรดเข็นบ ส่วนนำครับลองจกต่อยกันในสถานที่ที่เพื่อนเอลบคารวะผู้ดันกือว่า็นผู้ทำดีมีคารวะคารวะในคิดไม่ใจตายไปแต่เกินในสถานที่ดีไดดดีเศ่้าเลยเพื่อเดยมากแต่ขึ้นดีวางนอนนอนง่ายตัวเธอหลบเยตายเธอหลบยังนั่นคือผัวทำเรื่องเพื่อนตายเหมีการไป บ่เป็นร่ำครับหลงบ่ตกบ่ปล่ยบ่ยิงบ่เล่นในสถานที่ควรเคารพบูชาบ่เที่ยเปลยนผ่านเป็นในสถานที่อย่างนั้นเพื่อว่าเขารคเกือกายเขารคเกือกราชารแต่เรมั่งรักษาเราพูดยังดังบ่หลงบ่ร่ำบ่หงบ่โบ่ทำจริงส เป็นอากาโมค้เกิดขึ้นแจ้งกันต่างหน้าต่างตาเพื่อรักษาปาพองเห่าหอบวารักษาไม่ตัดคิดเรเป็นโมค้นให่เป็นคนปากเงาปากเหม็นเป็นคนบ่ดีบอเงี้ยเราออกใจเลยไม่ร่างตอมมันบอหอมมันเนา เห็นหอบคอหรักษานอกนั่นใช่ไห้นปากขื่อไดวพบหนาขาดหนาโดนเลื่อนหัวหนวกทำาน่อ้อื่นล้ำข้านหรือของเพคนเราก็รักษาคอวัดเห็นสีคอรบบ้ชาเพราะมันสะทานขี่เออสลดแค่ห้ามันังสถานขี่เจ็ดล้ำแล้วว่างรักษาเ่าไว้ตลอดเพิ่มข้างใจเห็เครดเลือกเพิ่มขับพุธธร้มทำถ้าสง ทุกคนปฏิบัติดีปฏิบัตชอบหมดกิเล์ตันหานี่กายบริสุทธินี่ว่าใบริสุทธินี่ใจบริสุทธิ์นี่ฉันถือว่าเป็นหนื่งสำคัญทั้งศาสนาถูกวัดถูกว่ามีผูกพ้นประท้าขึ้นล่างไหลไปทำบุญพื้นข้างไปทำบัตรทำว่ารับเราสร้างธรรมะจากคู่อาจารย์ในวัดนั้น พอเป็นวันในเวลาหน้าภาษาบัณฑเท่าวเป็นวันออกพันภาษาคื่อไทเก็บความสงบตามมาเรื่อย่นเดิสมาทานภาษามาแตงแค่ขุดเดือนแปดเท่งมาถึงเดือนสิบเ็ดเท่งจนเวลาสามเดือนเป็นระยะเวลาสิคะเก็บความสงเรื่อบภาษาหรือนือเป็นมือออกพันาษาหือว่าเป็นการสมัยเป็นโมค้น สมัยอันนี้ถึงด้ฝั่งพุทธตาท่านก็เคยขอพรนศาพระพุเจ้าไปย้ำพันศาดาวดุจเด็กแล้วมาจากดาวดุงในวันนี้ออกพัาษาแล้วมีฝูงค้นประชาข้นทั้งหลายคอยต้อรับแต่รับท่านจากคนนอกจาั่นันจะเปิดโลกว่าแต่ไม้งสื้อธรราเปิดโลกขั้งสามในซัดนรกหนึ่งโดยเห็นเทวดา สพาดามนุษย์ไปเห็นน้อโลกเิโกหเห็นพะองค์เสด็จลงมาจากดาวดึงดนบนได้เจ้าบันไดงนดท่องนี่สเพียรพุทธเพระคุณดายืนต้มแห่เห็นลงมาผูกข้อแต่ตาต้มตลอดที่ชัดเสารเลี้ยวเห็นพะองค์ความเหือเพีเจ้าทั้งหลายนั่ทรงคื่มนุษย์โลกชาัิเป็น ยึดมีใจใส่ใส่กับป่านะอยากเป็นพระพุทธาเจ้าเนี่ยดำมดแดงกับป่าถนะอยากเป็นพระพุทธาเจ้าฉันว่าเพระความอัศจรรย์เห็นโมเข่นสมัยอันใหญ่โตท้ามเหตุข้นเส้นประสาเส้นตลอดเึ้าถึงเนช้า่น้องเห็นอยากจะเป็นพระพุทธยเจ้าเพราะเป็นผู้เลิศเปิดเสดยศหรือยึดโดยเดชโดยอาเดชข้ามพวกปัญญลกทั้งหลาย เห็นมารวิทเห็นท เ, เนทววิทยธเทวดาไปอยากขวัญนจากหน้าโลกมีโลกใหม่เดี๋ยวร้อนหุ่ไาหา น, ใ น, ในไร้หนูกรหายจิตในจิตในใจเหมือขวันไปไ ด, หดเหมือใดถีอมาทำบุญฟุ้งท่นทานต่างสวยงามคล่อมดีผิดเช็ดหลาในการทำพิดถูกพิษพิษพิษล้ษษษองตัวมี่เป็นซัดรนรกผัวไปจิตตาถนะในใจย่างนะันพวกมารวิทย์ทั้งหลายเลี้ยงลงไปเห็น สันนิรคือมกใหม่เดือดร้อนมีในนรกอัวมือหลังไส้ใหญ่เน่าสุกพร้อมต่างๆหน้าๆขยะย่มทั้งหลายทรมานตายของเขาใหได้รับความหลร้อนให้ได้รับความลาบากโดยบาปกรรมที่ทำไว้ย่อมทั้งหลายเถจึใจไม่อยากท่านเสื่อท่านเสียต่อใจเหื่อยล้วขุนไปทัง กันฝ <necessary. S 2> well. well. so uh, right. ่าเห็นเผดภูตเผดภธิดาอยตาศาสตร์นั่นความเป็นโยตุกํำล่างสะดวกสบายมนุษย์ทั้งหลายก็อยากสราบุญซึงท่านอต่กจะเป็นนา่งฝ่าเทวดาอยากจะเป็นเผดภูตเจ้าฝ่านี่เป็นวันเกิดโลกพระพุทธเจ้าเกิดโลกวะสิเกิดโลกข้างตางเนี่ัดทั้งหลายเดยเห็นกันเป็นก้าไห ในตำรับตำล่าในตำนานเป็นฟุคราพิฐานห้ทุกคนหดือกิพิจารณาละตัวผมเพ่นดีต่อไป ห, ห้าวคิบไข่กินพิจารณาเขาวัดเขาว่าเออดเกลยอแ่ห้าอยากหลออล่ำข้ามแท่งยัด น, นะะื่องคืนหยัดุิตสะโผลกประทัดอันใดก็เค่ไปตามอันเพื่อใจของห้ า, หานั่นเป็นทางตัวทางเีย ทางบางแง่เกิดขึ้นแก่ตัวคองตัวผู้คนรักความสงบผู้คนต่องาความสงบผู้คนนั่งภาวนาเดินโยกมืตาจีของคนก็เลยยิ้เสียงุตส่าห์ือนึมยยินเสียยิ้มเประทัดนั่นนี่ขึ้นมายึดใจนเรื่อลอนใจเนวนันหาความสงบสงัดไม่ได้เขาผู้ท่านบอดีหนึ่งหวังส สังบาปสางกรรมะันเป็นบาปเป็นกรรมน้ตน iana, a a ัวหรือครอบรอบพอบบริวักเวลาบริวักต่มานบริวักสถานที่อ่งนั้นใถ้ากันยูนิฟิเจน่าแจ่ไข่เรื่องทองัวอยากเกิดอยากเชิ่อยากจะปเกิดเชิ่อมน่ในสถานที่มีเสนียะสถาน็นแล้ววัดว่าโบสถ์ีหารผู้บาอาจารย์ผู้บวชพิจิตรัสธรม เป็นป uh, <hello. S 1> ูชนียาเฉชานเป็นปูสนีลาวัตถุเกิดข่้นเทารบตึ้นกาวไหวเฮาบวชจีนิชเจน่าจะทำเสือทาเสี้ยในสฉชานเกิดเทารบกาวไหวมันเป็นบาปเป็นกรรมบาปกรรมที่เขาทำไหวตรงน้คือไดสิอย่างที่เอาไปตัวของเฮาเองมันคือจีนีราบาปกรรมต่อไปเกิดขึ้นหน้าบุคคลบันคือเมื่อคเินสิตรเอาจบ มันก็ลวกซะตาตระบอกซะปากกระซูซะม่นถึเป็นตาบใ้เพียงดเรื่องนี้เช่นมืก้าวขาบวกดึงได้ยังไดเห็นี่กะดี่เขียดีถูกทุกคั้งพอสั่งความบดีเอาไว้ม่เกิดขึ้นได้จากคามข้อท่านมันเกิดขึ้นไม่จากเช่องอื่นเพราะห้่มันบดีบางางเ่มันเป็น เผือเป็นไท่ไหนละอย่าไปท่ำแล้ว่างรักษากายว่ายายใจทงตงเป็นสีสอบสียิ่มดีกับคมเชี่อาไหวในถาาสถานที่บบางค่วนผูกข่วนจนใสรักษาไหวสิ่งคุ้นงานความดีไปถาาสถานที่ได้บ้านนั่นนิจิริยามาราย า, ามนธรรมีในเหลียบรอ่อย บอกว่าพูง่ายูหน่อยไปสถานที่ใดเกี่ยช่องทางงบทางนัดใจน่ะบ่งไหนเนี่ยนาบูซ่าเอาไปตอนเราเสด็จเงินย่อให้ยึดตากรรมฐานเบิ่งหนึ่งบงล้านเบิ่งกูเบิ่งคจังเงี้ยได้ผูบาอาจารย์กระดาบฤทธิ์คิกระดาทเขกว่าไปเต็มตัวตอนบนยืนว่างเอาไปเนี่ยเเสียงอันดีเนี่ยเกิดเงีความดี ถ้าการซ้นกันถ้าการอนใจก็คล้องของเมดีเนี่คืปาถนะมี่คือได้ยากได้ถ้ากาวังรักษายงเหรอคนเราอยู่กันยืนสิอย่าคุยกันอย่าคุยคุยนอกลัดเราบอกแล้ว ควมบดีบางแห่งเป็นทางเรื่องทางเสียคือหนังเท็จเป็นหนึ่งท่านเพียงคนเดียวแต่ทํานหนึ่งจนวนคนเป็นหลายเป็นพันเอาอย่างยางไปได้เป็นจังหวะอารักที่คนเดียวทำารักที่หายเสียหายไปไหนเป็นหลอยเป็นพันอารักที่คือคนมัไม่ยางอายคนม่นมีความดีในยจนี่ได้ใาในใจของตนเหีือไปสะสม คุ่มดทั้งข้มใดสวงใดทเพื่องั้นจะเสียมเสียไปเน้นกัรทตาเน่าถึงจะอื่นมันบอท่านตายท่านเน่าไก็อนี่กินฝ่นแดดแดาไปฮะตัวอื่นทำหนยเน่าเห็นเน้นลัดขี้เพี่ยงขมเดียวทาอะไรขี้เหดีเเด่นไปได้แต่ถ้าเนเดียวกันเขาเห็นจริยาเมลยาเห็นความดีความห้ามของ คนคนหนึ่งไปในมือนั่นบานนั่นเขาก็ับส้งเสริมมาค้นบานนั่นเป็นคนดีเป็นคนมีกิริญามตตาาณนะรักใครเป็นคนมีกิริญามตตาานะเรื่อมใสเขาคนดีไม่เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่นับนบานนั่นเมื่อเขาเห่าไนมีสืดอเสียงเดงดังไปให้ทางดีเหมืท่าดีเหมืนังเชื่อกตรงกันข้าม ว่าเสนให้รักษาเอาไว้ความบอดีทุกอย่างถ้าการแก่ไขถ้าการระวังรักษาวัดว่าเป็นสี่เคยรคเป็นเป็นมือยาสัตว์ฐานมือไหนซือหน่อยเดี๋ยวระวังรักษาเล็กเบ่งหน่อยนีนก็มีพ่อมีแม่พ่อแม่มันแน่แําัต่างสอนพ่อแม่มันเป็นคนดีลูกเต่านีมก็มาเด็เดินตามรายเท่าของปอของแม่เหรอลูกม้ามัสืกลายเป็นสัตวเป็นเสือเป็่ไหลูก สั่งเปอยมันจะเป็นหมาไ่ได้ลูกอันไหนร่็นลูกอันนั้นลูกคนดีแต่ไม่ใหญ่แต่เพื่อเปลดีไปตามหล่อร้อยข้องพอข้องแม่ลูกคนเปัวแต่ถ้ามเดียวกันเพราะฉะนั้นเข้าไปคือเป็นพอเป็นแม่แต่ให้แน่ซอนเขาลูกไหเรืองเป็นอัปมงคนขี่นนึ่งยู่อเสียงเหลืงเล่าบอดีบังามน่าไขแจ๋ลูกแจ๋ล้านถึงแล้อยากท่อมอยาพูดอยากคิดทนั่นก็ห้ามยึดห้ามเอาไว้ พอเรหน่อยเขาติดือไปเป็นตัวอย่างทางพอดีบางน้ำยิ่งเลยมันดีมันงามถึงตาเห็นคิดไปแต่ภาพต้งแต่ทำบำเพ้นเห่นเื่องหน่อยเขาเห็นเขาเกิดจำโอไว้พอเมียเคยทำยางนั่นเคยพอคแต่ที่บ้านยางนี่พอเมียจะบุผ้าจา์เป็นอาจารย์เบ่งสอนของเด็กส่งนจะเป็นแบบขึ้นของเด็กถึงห่อวัวเดี๋ยวนี้ซสอนเดย๋ยวฝาจะคิดิยามาระยะของเา ถาเหม่งเห็นเป็นการสอนในในตัวเป็นการฝึกต่างท่านำาเหม่เาเห็นข่าวลือเฮียรว่าได้ต่างกระทำเป็นการสอนย่างเอกย่างวิเศษถ้ากันีินิจพใจารณาสงคุณงานความดีนะตอนเจ้ากระันทับาททำบุญแค่ถาเจ้าพระสงฆ์มเหแต่การออกขั้าทำวัดทว่า หาย่าสวนมนต์ตามเจริญเมตตาตามความจางหนักของตัวกอดทุกทำเย็นมากแตเดียบูชาดอกไม้ถูกเที่ยก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำวัดทำวัดสร้างเข่นสรางกำนดจิกหนดใจให้สงบร่างเงีบกเห็นสิ่งสิ้นสิทิ์บหนักง่ายเลยค่ะลาบากลำข้าง เราค่อยคิดค่อยนค่อยคุ้นค่อยแปลงเราบงอยางวาบมันันเห็นคุ้ได้ดีวิเศษคุ้นให้โอกาสกินใ้สมาวัด้าว่าในเวลาวันพระวันเจ้าหรือในวันการสมัยมหาพรานหน้ายางพากันกำหนดจิตกำหนดใจอุทิศบุญกุศลี่ต้นกำหนดไหวใจใสงบเพื่อแพร่ไปสู่สัพษะสัพหลายมีดีดามานดา อุปสรอาจารย์หือสัพพะสัทั่วไปให้รับความซุกายซุกใจหน่อยนี่สาีย่งเจ้ของสองพ้านส่งกันและกันทำจิตท่านใจทุกข์เป็นแค่งบแค่เหนตาคิดคิดนึกอุทิศบุญกลไปหาการสร้างรายเศรษฐ้เหนอโนธนาโลกกับสงบลังก์เบเดือดร้อนวุ่นวายบ่ยิ่งช้าพยาบาทกัน เขาบัวต่างค้นแงค้อนดีอุสิวามนพัวไปให้เขาทั้งหลายเรานี่นเขาบัวรับขันขอนดีไปรับคู่กันครับเอาทรงี่ไปให้เขาล้วเขาบ่วจับน้องดอกเขาเห็นว่าฉี่มันเหม็นขันทรงขนมทรงข้องหยาข้ขงจินทรงนั้นทรงข้าวปลไหเวลาใกล้ตายสับเพราะเห็ุใดเพราะมันใหญ่ใหญ่ข้อนดีอยู่เท่ากับคู่กันเ่าอุติข้อนพัวไปให้ไปก่อยใจแงไปอิช้าพยาบาท เขาเหล่าจิ้งคิ้ความเสี่ยงแต่ให็เขาเขาไว้รับดอกจากทั้งหลายก็่ดีเห็นบอถือควานสินไก่มันก็แล่นหนีงูขวานมันก็แล่นหนีหมามันก็แล่นหนีมันด่านขาย่านตีใครเอาเขาหล่อแต่เลี้ยวแล่นนอยลมเน่าเน่ม่เด่เด่นไม่มาเต่ามันแล่นนกคู่บ่ายันเห็นเขาเหี้ยแล้วเป็นหมาเป็นไก่เป็นฟืงไปนยำหนังที่นันไหกิน วมดีท <de leg ante> <hes> ั้งหลายจะท่างนั่งเดียวกันน่ะนั่คิดไปไหนพอเม่อทีน่เดวุฒิวารดาสะพัสทุกข์ทนน่ะเขายินดีรับพอนุมโทนาเปนใจเป่นความซ่อพอนุ่มโอทนาไป่นนุ่มอทนาบุรุษนรุอนุมทนานั่นใเป็นการผิดซื่อเป็นซื่อสิดวิปัสนะวาครว่าเขาความเพีรัวไปว่ามผู้ไดป่าเถรนะมผู้ใดต้อการ อยากพื้นกันมันอย oh ่พ well. ื Oil, ้นกันเพราะฉะนั rainbow, ้ความเพื่อต้ชใจตงสอนและภาษาภาษาตะล่นความเพื <rock. c ười eyes> ่่วไปยาสีถ้าควรละควรถอนตังผกรตังเสยโยความัพบ่ถ้ำจะเรยดีกลียวสกัดัดปฏิทุกตังพอความเ่าถแล้วจะเหมือนหลอดในท้ายหลัง ความเสือกสีเขาถ้ำไปมันหายนแจ้เห่าภาหลังเมื่อได้รับทุกลรับเนี่ยลาบากลาค้านทุกคนเสือกสีเขาถ้ำไว้หายขนหายําไลเกิดขึ้นในเสือคงเห่าเพาะผมมาต้องการความเสือเราเนี่ยเขาจะจับตัวมาหายถ้่ในความเสือต่างๆทัว่าทางกายทางวิชาทางใจจะได้เห็นได้ ละสุดาดีคุณละคุณสละสุ่าจำไปสั่งคุณงานความดีสั่งข้าส่งขีนสา่งพยาหน้าต่างกายสังว่าจ่าสั่งใจไปในท่านอัท่างข่้นคือสั่งความดีไปตรวจทุกเอเอคุณนั้นมีซวอมเสือเรื่องหนึ่งเรื่องเหมือนชายจร์สั่งขีนหน้าบ้านขีนข้อแสงสว่างใสกลางแสงออกไปเลือ ม่มีวันที่อาบสาวไม่มีวันที่เสียหายหรือเชื่อใจสั่งความดีพระพุทธเจ้าสอนให้กรอบเกลวอกถ้าทำบเพ็ญโดยทักายทังร่างกายท้ใจทั้งหินทั้งท่านทา้งภาวนาควรให้สัางใน้ทำเพรความดีเท่านั้นโลกถีามีความสรบสุขอบครัือถ้ามีความสรบสุขตัวผอ้ตัวถีามีความสรบสุขความเชื่อแ เสือข้องเสือคิดขึ้นเนื่อใดอิเสือเดชทำโดพูดโดยคิดในทางเสือทางเสียสือข้องเสือเองแต่บัวร้อนแผลเผลอวา่เราบวกควนสิไปทาเสือสายเสียหายยางหนึนงยางนี่บวกควนสิไ้พูดเสือายลางบวกยางหนึ่งยางนี่เดือดร้อนคิดถึงข้องเสือเนื่อใดเผลอายเผลาใจข้องเสือู่เดียร์ใจมันจะหาละเสือมีเพื่ดี อยู่ใท่านอย่างนี่เวลาเป็นมงคลจะเป็นของสเนืน่อว่มีความตัวมีแต่ความดีแหละล้ปก็ทุกจิ่งสิจาหน้าสิ่งเมื่อใดใจซีจิตเอิดอิดออด่ในความดีของตัวนี่คือส้างความดีใสตัวเมื่อตัวมีความดีครอบครัวหรือเอารักษาเยืนหันจะมีความดีไปด้วย เห้วาตนี้ดลูกก็ดีเนี่ยก็ดีพรก็ดีเพราะควดีต้องเฮาือเพื่อแพร่ไหยุคคลเรานั่ยในเวลาความเยกเย็นใจใ้องเขาเฮื่อเเชื่อขอครัวฟ้องเฮาแ่เดียกอนเงินว่าเงาะงานเป็นไงตำบลอาเภอจังหวัดประเทศชาติปล่อยครัวปล่อยเชื่อเรือย เป็นเวลารักษาความสงบรักษาความดีต่างแข่งต่างนต่างรักษาโรคเมื่อสงบระงับมีความฟุ้งฟันสบายเวร์เยียดเยียนลักโศกโกซื่อนาะขาดจีเต้นขี่กันโรคเมื่อเยียดเยียนเป็นอาจเป็นถํานะบวประพฤติตำทำคำสอนเข้าวุเจ้ากะนบันสุหาเห็นความฟุ้งวามเจริญ ของตายข้งใจก็จะหนึ่งถูกควบลงจมเอาไว้และตัวมเพืนดีครบฆารวะในสถานขี้ข้วคอยรบในมุคขึ้นขี่ขวัญคารบคูอเดเด็ดแดงอู้ต่าล้างเลี้ยงคอยรบต่อคู่ใหญ่หิมนีเอานุ่คอยรบต่อพ่อต่อเมีย็นๆคู่หาก็เหนิ่อยเดี๋ยวคงเล่ามาเนี่ยพื่อได้ปฏิบัติได้ยางนันก็นำดันติดเจริญ อเนาะพเอกอะล่ะเรื่อละเรื่องไหนเขาจะยิ่งนูนต่้างทาท่าไหทําหน้าแต่วามีเครื่องจักรเครื่องผลนี่จะเรืองจะควายเท่านั้นแา่ท้าหน้ามันตืนเตน เป็ AN, pound, pound, pound. It, anut, นาเถหนึ่งขู่ควคือหมืนจะไม่ออกบหมนบกหัวหน้าต้องเอามอ้ามันจะสมัยกวนถ่อพ่อหลูกพ่อหลานจะเอาหิลรถมันจะให้ยืมเนถนันหน้าแด่ทหอนเดด้หอยเฟังขนโมขันโยกไปอาหินตู้ตูอย่างน้ผมก็หลบเขา้วยเนี่ยอยากลเป็นโ้าได้หน่อยหัก มันตนมแล้วมันจะกลับมาเติมเลยเติมเติมเลยเฮ้กมันจะเหนียดเนาะผสอนมันเป็นความสิ่งคลุมโลเห็นมนจะได้เงี้ยแต่ค้ายตลอด่เย็นสั่งสั่งหอมกลางสงนี้เวยแต่ตัวนิดเดียวม้วนค้ายันถูกจิ้มนั่งเตินมันยจ้อย่าใช้เงี้ยส่งอย่เลยอ่าโดนเงี้ยพาติน n ล a ต้อง nga อมตัวเลยน่าน่าเตรียมเลยแต่ว่าดูหน่อยดีขึ้นดูหน่อยงับฟังหน่อยเห็นพนะเต้านะหมายถึงประธานเ่หยิบงขันเลาของผู้สมพรรษาเป็นมัินดัดเดเจ้าให้้าหน้าไสองไปรอก เมื่อเจ้าจะสงจในยูมปัาในระยะสามเดือนเป็นดุดืเนนะจาแชมป์ันศาตลอดใจมาแล้วคือเจ้าของบรรยัตอันนี้เสงของมันสาบรรยัตเปิดโอกาสให้ถ้ายกไพ่ตายหรือามื้นท่านี่บยัตจะเป็นตั่ยงของเปเจ้า กลาวไว้นดับําลาจนเกิดปัญหาเว้นี้แย่บอกเช้าเ้าเว้นี้แย่สอบเช้านี้วันเาวันเจ้าในวันํรราเ้าเ้านเ้าสอบาชนอกเช้าสอบเช้ามันคือมีโอกาสเยอล่วคนคือจิตใจท่านน้อยเือไปก็นอนออกเช้าแล้วเคร่งแต่ใจเข้ามาออก ยอ่ปัญหายังไม่ให้ห่อแก่ย่แกใจเขาเขาฆ่ากา่งานคมดีเดือดไฟี่อปัญเขาชิมเถาะชิมหาม่ให้อิ่มลออกความช้าเดี๋ยว่อมันอิ่มยิ่งับคือเดัหาก็นยัเดัหาเขายังมีเือดคือปัาเขาชมเถาะชินายังไ่ให้อิ่มเากลวิ่งเดือไฟซึ่งควมีคามดบยีใช่สั่งห้ทำน้าทำเด่อยไป ย่เพีต้องหาใหม่หายไปเ่ต้องให้ใจเหนื่อยขึ้นะอย่าหยุดยถอยไมเนาะภาษาอ้ทังภาษาบดินแบบที่ได้ข้ามันได้ที่เตาไ่มีการคลการเสียไปนไทา้งหน้ต้องดีเอาไว้เกิดมาทั้งชาติจากกนราดึ้นจนโมฆะไ่มีอนได เป็นซาลาให้โชคีที่เด็น่าเกิดเป็นมนุษย์รับเอกสารทั้งหลายเขายอมโยกตาะเยลรจนมาเกิดนับจํเนื่องหลานบ่ได้หนึ่งเท่าหรือเป็นสองทางอันสาคัญที่ทับถื่อไปเวลาไปโฉลกเ่็นไหมครคข้าิหรือเป็นโฉครูค้ิ มนุษเครือาดาวินพมยังเมื่อโลกเสลี่ยนแต่ร่ากายสับทีพสามเป็นอบายะขึ้นมเป็นเพิ่ตั้มเป็นทุคคติมีบาตวาสนาสี่ังมักสังฝนสางชาติสางเสียงสังภาวนาได้วาสนาทีเป็นทับพุกขเจ้าเป็นพระอริยเจ้าได้เราอาพักอาเป็นต่เฮ้า มีความยากมากความเหาไมพวกแม่เพื่อนมึงจกมงมึงกักเพื่อนแม่แบเหยี่ะเป็เรื่องขอักดหมดเรื่องมึงก็นับไ่ได้ความยากมากมีเหงาไ่โอกาสเดลมีวัฒนธรือเด็กมาเกิดเป็นมนุษย์รักษาสมบัติของมนุษย์ไว้สายสั่งใจ แต่เขาเลี้งเขาใสในชีวิตของเขาเป็นเขาโมกีรล่างอย่างเยือกไมอมจแฉเน่นอนแต่มีสิ่งต่มดีแต่มาเกิดบ่ได้เกิดเตนือเติตัวเติมใจเติใจสังตดีก่อไปคือได้้งไหเกิดมาาดเยวแบบเท่าตายไปแล้วหร้่เมาหลงสร้างหลอกไจใช้ในโลกกีเกศเป็ีวเสยดจะตามอย่าคิดให้เฮ็ดไปตายขาดเยอกัน ต้องคิต้องอ่านเ่ห่นเป็นภาษาที่เป็นท่ามบดีบางนีาษนามเส้วสารามกไไหทขึ้นที่ประการไปแต่ถ้ามันตายขาดเยียอตายแลมันดับตายดับตายไรมันมีเพ่นเนี่ยตายไปแล้วตัวตางว่าใจยังมส่วนพิเศเหน่อยเลยน่ไปดับเครื่องผุกลบนักตัวเมกเป็นเจตจาเตยเป็นอื้ตกาย หายวันเ้างงาเสือจึามนุษยเสียใจง่ายมาเดินอย่บ้างงาอีกเหม่ยวะนั่งใจชิดใจนั่งใจกันเป็นไงตายอยู่คนยึดการคิดใจกันเป็นชิดใจยึดคนยึดการชิดสิดอันดีทีนี้ชิด่านไหน้างการใช้ท่าใจใจหลไหลใ ะแล้เมื่อไปตามเหลือตามเหลือตัวนั่นคืกกรรมกิเท่าด้วยทำแห่ซ้อนคือหนังเรื่องี้้อนทุกกายทุกใจนอากอย่างไดลยางน้าต้องศึกา้านงานยากนันคาีเกณฑ์ทำมีพให้ความดีรักเอาไว้เป็นคามดี ยังมีคือเ็ตัวตายตายแล้วจะตกไปฮะมีนอนตาลกูจะละท่าน่ากาจะลท่านเนี่ยองคุณยายก็ดีให้ยูหน้าสั่งหน้าใส่ใจใส่ใจท่าๆก็ดีไม่ได้ส่างใส่ใจบอรุนยังไม่สั่งใส่ให้าไอ้เจ้าส่งไปให้วัดเทวดาไอ้บวตรหายหิ้วฮะสั่เข้าใจใส่ใจเท่าๆดีละเดี๋ยวสังได้ท่านได้ก็คือในใจในใจ คิดใจจะเดือดบานคิดใจจะคล่องใส่คิดใจโดือดบานคิดใจค่องไส่ทุขจิตจะเป็นผี่ล้างได้ิดใจม้อนคิดไปช้นเพงคิใจเดือดร้อนิใจเนไยทกขิจะเป็นวล้างได้เลหลายย่างถ้าชีพทางศาสนาการสำรักกงสชิมมือมีความดีใจมันดีใจนั้นท่องใ่ ใส่เนี่ยส่บายนะจ๊ะมีท่าหลือไื้อความดีต่อไปห้อยังเดินท่าเดินห้งถึงสี่สุดแล้วอ่ะก่าอาหารอาหารทั้งที่สี่สุดแล้วท่นจะดวกสบายงเพื่อนไม่มีวันสิไปเลยซไปอย่างเดี๋ยวร่านเบารางข้าไม่พบขาดอยู่ นอกพื้น่พบัหนึ่งัสิได้เกิดไหมสถานคือดีมีความสุขแ่สร้างเอาการหายาทางศักดิเก้าเป็นบอเกิดของสมบัตเป็นบอเกิดของความสุขข้างหน้าพระกาจเตลตาหน้าห้ามเป็นบรรดาห์เลคือสวรรค์เลยคือความสุขให่ มัก oh, huh? ็เพืทานออกปาอาารตนข้อหม คือทานภายในอีใสเฉยๆควาำซุกคว่ำสงบเป็นประจัท้เต็มเลยตัวของตัวเองสนคว่ำลักษากและิีเปท่าให้เกิดพอคาชักพอสีเป็น ร้อนได้ถึงจรับนได้ตรงไหน ท the well, be <t aps> ี่จะทไปพูกชาซินอยากัิ่นสิ่งก็คือกาจับบ้านยับษ์เพือจะสั่งต้นไม้ขึ้นเพื่อจะขุ่นขุ่มเขัเพค่อัวเพื่อนเสียหนึ่งหน้าและสั่งมันจะยกเส้นประหลากสุดที่ไม่ซิ่นไม่แหลกเพายอข้ไปแบาพุก อันหนัาชนะเกิดหนา้ามีต้อสังงานนะพออัาหนัะสูนที่รักษาไวา้ตายตัดตาจะจาโยกไขไขรเช็ดมีข้อคลองใสมื่วันนะนตีาาปากแค่นะพอมนุษย์เทวไปนี่วาจาสีซักคิดเราอันไดจะสู้นนับถือเสือฟังพออันหนักใช้สิน คารักษาหน้าใจเราคนเป็นะรสงให้ีมีสีสีมหวังใชไห้รักษาสุกทําสบายต่อไปเรื่อิตไหลสีคือต้องขนทุกไปตัวนะเจว่าสีเป็นทางดียานะต้องตรียมใจรักษาจะทามันเพิ่ต่อไปทางหน้ากันเวลาจิดใจทางหน้ากัน ช้อนควายหงานความดีมาหายใจในเรื่องสิ่งที่อาใช้ตัหงยะความเพลียเราไปสิใจค่อยคิดค่อยฟ้นให้ออกอย่างนี้ก็ให้สิ่งพุทธถงมีมดเหนือไดนิดใจนีของคิดไม่โลกเกิดหน้าสิบปัญญาใส่เลี้ยงสา ชีวหน้าอะไรนะหลอกครอบตรวจถึงน่นคือการภาวนาควรจะภาวนาแผ่นตัเปิดหน้าอยากให้ลุดหย่าง้ามตัวเต้าเน่าเจ็นเต้าย่งเาอย็จะป็นหน้าน่าเข้าจะตว่างทข่งหลุดเห็นมีเสียงเรื่องหน้าแต่ท่างไรมีผู้หองหอมอมโม่ให้ก็ยังได มาเป็นหลูกไข่แบบนี้พี่ธอมพี่เจ้จะดีแสนสุกยุ่งกับอะไรใมันเป็นเนี่ยจะเป็นพี่เป็นป น, อ น, น, อน้อง น, องงนี้นไนนนนนนดดนห น, น, น, นหไเห็นข้างน้าข้างหลกข้องหลานแต่สินบานคิดใจไปทางไหนเท่ากับทางไหนเสร็จย้อนย่อต้นเปลืองเงี้ยจะเสดดีเสดยังงยังหนึ่งเห็นแน้วอยากได้ข้าใจเห็นเสียใจบาคนเงี่ย ไอทางไร้คุณสาวแงนั่นก็ฟังใจก็ฟังดีๆก็มีเสียแล้วกจะเจ็บกันได้เจ็เนี่จ็บยึดใจลบเบื่อเบื่อหน่คือของ้ามขกายข้ง้างสะใหญ่มากแต่พอห้องสัางเอาทำเอาไปรักษาเจ็เอาไ กันาพิชาความรลีนีจะเยอะสลาบตาเกียงจิดอันอะไรบกขาดบกชิดคนยากเนี่ยอยู่ในโลกมนุษย์กะเป็นเถื่อนชวดามีคนแรลบหย่อใจมีคนหยาดได้สัจตรมีื่านีชีวินความดีที่ตากธนาคนมนุษย์เทั่วไปแนี่เ็บัตรหลาย มี่หลังกายจะกระจาดตกไข่ไข่เคล็ดหลังกายเฟ้อดฟ้งงง่ายเดีที่ปัญญาวิือชาเข้าหนู่หลุเรื่องรอบครอบให้จะปาดนะไหนเป็นหลุดของใครไปเป็นจ้องของใครไปเป็นเนี่ยของใไรเพื่อนั่นตันทามใหญ่เกี่ยวสารพนึกมีความทุกขความสบาย แล้วกันมอให้ความเพื่อความสบายให้อย่าดกหน้าจะบอกขนประกอบตาบอดเท้าหวขีแเกียจคือข่านบอกนอนซ้อมได้เครดิตอไรบอสปนคเป็นประโยชน์ให้มีไรจงใจีจเหรใจเพื่อนตั้งหา พอแม่เล่นท่องสองความสุดท้ายเป็นพี่หนุ่ึ่งบอกบาดีกรรมดีที่สร้างไว้ไหนของดีนมเป็นเคื่องบัทของตัวภาษาโบราณเขว่าหลุดบอกเนี่ยพอแม่ปากหยัดหลุดตาหยัดพอแม่แบบอายเลยนั่นน่ะมุกคุบันที่เงีองคนเป็นคนดีฮะใสถานคือใด เขาปฏิบ okay. so, yes. so, yes. yes, so ัติสนย่าคืด้เป็นพ่อเขาแม่นคือได้เป็นแม่พขาแม่นโดยในบทสอนบอกออกมกเลยไงปฏิบัติพ่อปฏิบัตแม่ก็ดีเถอะนพอท่านแม่ไงอย่างนี้เนี่ยจะแข็งหัวใจก็อนี้ฟ้องซุกเขาดูถูอยิ้มท่าเกต่อล้วเล่นท้อตัวเขาเส้นแล้เพอแม่คต่ไม่ฟ้องซุกฟสบายจนทั้งไรอย่งนี้หน่ายไงพ่อกระดึ ผลดีเรียนีวมั่นคงว่าดีเงีแต่ให้เงาเดียวกันนะภาาอดีา้การสื่อสิเดียน้องภาษาไฮดอท้าษาภาษาไฮเรียนพีภาษาไฮนอกห้จากข้างศึกงาเอาหกาเนยมีปัญหาอไรภาษาดีใส่ใจใส่ใจทั้งห้องาษาให้หองเอง เราต่งคนอื่นแต่เิดก่นเา้ม่านแดี้เราทำดีดีดีเราจกิดถึงก็ได้อย่าากันไปเท่าเทแน่เท่าไรับนด้วยเพื่อ